การนั่งสมาธิภาวนาที่ว่าการนั่งนั้นให้นั่งขัดสมาธิจะต้องหัดถ้าไม่หัดก็ไม่ค่อยได้คือว่ามันไม่เคยเวลานั่งขัดสมาธิทุกครั้งให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระองค์เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในแถบเขาหิมาลัยหกพันสาล่วงแล้วก็ยังตัดสู้ไม่ได้เมื่อพระองค์เสด็จไปภาคกลางอินเดียจังหวัดพุทธคยาที่นั้นมีต้นไม้พอต้นหนึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำเนรันชลา ไปถึงนั้นพระองค์ลำลึกว่าการบําเพ็ญภาวนาบําเพ็ญบารมีก็สีอสงไขยแสนมหากับแล้วทำไมหนอจึงตรัสรู้ไม่ได้ก็ได้ความขึ้นมาพระองค์ในพระไัยของพระองค์ว่า การตรัสสโลหรือการตัดกิเลสความโกรธโลภหลงให้หมดไปสิ้นไปนั้นจะตัดเอาดื้อๆไม่ได้จะต้องสละชีวิตแลกเอาหวยถ้าไม่สละชีวิตแลกเอาไม่ได้พอได้ความว่าสละชีวิตแลกเอาพระองค์ก็สว่างขึ้นในใจวันนั่งขัดสมาธิ แต่ก่อนนมาเลื่อนวัานั่งตามสะดวกสบายอยากนั่งอย่างใดพระองค์ก็นั่งไปเมื่อมาได้ความอย่างนั้นแล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอา มือเอาผ้าหัสข้างขวาทับข้างซ้ายพระองค์จึงภาวนาเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังวิตกขึ้นมาอีกว่าจะเอาธรรมข้อใดมาภาวนาเนอก็ได้ความว่าไม่ต้องหาธรรมข้อใดแล้ว ลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นธรรมที่ภาวนาพระองค์ก็ตั้งสติสติคือความระลึกได้ใจของพระองค์นั่นแหละไม่ต้องไปนึกพุทธโธพุทธาที่อื่นนึกเอาลมหายใจมันรล้เท่าทันในลมหายใจลมหายใจเข้าไปก็วันนี้เป็นลมหายใจเข้า ลมหายใจออกมาก็ น, นี้เป็นลมหายใจออกคือพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาคำว่าสมาธิหรือสมถะกรรมฐานจะเอาอุบายใดก็ได้แต่ถ้าเอาอุบายใดก็ให้ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญจริงๆ ที่ต่อๆมาที่ท่านให้เอาพุโทโธก็ทกได้เหมือนกันนึกอะไรก็ได้แต่ว่านึกอันใดเจริญอันใดก็ให้มันนึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ปล่อยให้จิตไปที่อื่นก็ตั้งมั่นได้เหมือนๆกันทต่ในเมื่อพระองค์ได้ว่า ลมหายใจพระองค์ก็เอาลมหายใจนั่นแหละมัดจิตใจก็ว่าได้เอาใจจดจ่ออยู่ในลมหายใจบังคับใจของพระองค์เองไม่ให้คิดพุ่งสารไปที่อื่นให้รวมมาอยู่ในลมหายใจเราทุกคนก็ให้ อย่านึกพุโทโธหรือก็ให้กำกับอยู่ที่ลมหายใจคือลมหายใจเป็นที่สังเกตเวลาหายใจเข้าไปท้องมันจะพองขึ้นเวลาหายใจออกมาท้องมันจะแวบแค่นั้นทางพมา่าเขาจึงเรียกว่ายกหนอพองหนอ ก็คือว่าเวลาลมหายใจเข้าไปมันท้องมันพองขึ้นลมหายใจออกมาก็เรียกว่าท้องมันแวบไปเรียกว่ายกหนอพองหนออะไรก็ได้แต่ว่าต้องนึกให้จริงทำให้จริงเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจได้จิตใจพระองค์ก็ตั้งมั่นลงไป ตั้งเตตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวานาครั้งนี้จะไม่ลกไปมาในที่ใดๆเป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ่มกระโดกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็ยอมตายเสียดีกว่า ถ้าตรัสกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้จะเอาที่นี่เป็นที่ตายพระองค์ตั้งใจลงไปกิเลสมารสังขารมารไม่ต้องอาหาอารมณ์ใดมาหลอกลวงเราอีกต่อไปเราไม่เชื่อมารกิเลสแล้ว พระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดตายเป็นตายเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นจึงจักทายจากการนั่งขัดสมาธิไปโปรดสัตว์จะฉันอาหาร ถ้าหากว่าจิตใจมันจะไม่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ตายเรียกว่าเอาชีวิตแล้วเอาชีวิตแรกเอาเมื่อผู้สละชีวิตลงไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราแล้วไม่มีอุปสรรคใดๆแค่เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวเล็กๆในน้อยอ้างว่าแก่ชราบ้างหนุ่มเกินไปบ้าง ขาสั้นขายาวอะไรไม่ต้องอ่านก็าตายเนี่ยพระองค์ว่าตายตายลูกเดียวตรับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ตายลูกเดียวเจ็ดพระองค์ก็กล้าขึ้นมาล้ไม่อ่อนแอทอแท้ตายเป็นตายส่วนพระพุทธเจ้าในวันคืนนั่นแหละเจ็ดใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนา พระองค์ก็กําหนดลูกนามกายใจของพระองค์จนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ตรัสโลระอนุตตสัมมาสัมโพธิยานเป็นพระพุทธ เ, ทเจ้าขึ้นในโลกแล้วไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตใจของพระองค์ไหวหวั่นพันเพิง เรื่องราวในโลกทั้งหมดเรียกว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องที่พระองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่จิตใจหมดสิ้นไปพร้อมทางวาสนากิริยากายวาจาจิตอันใดไม่สุภาพเรียบร้อยพระพุทธเจ้าเรียกว่าตัดได้หมดละได้หมด จึงเรียกว่าวาสนาอาจินอันใดไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าเลิกได้ละได้ส่วนสาวกของพระพุทธเจา้าวาสนาละไม่ได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหะธรรมดาเนละได้จึงเข้าโซนิพทานได้เหมือนพระพุทธเจา้า นั้นเราทุกคนวันนี้เป็นวันสําคัญคือหนึ่งถ้าเราจะว่าวันพระก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันพระวันพระคือวันที่สี่ค่ำเดือนเดือนเจ็ดดับสิบสี่ค่ำวันพระแต่ถ้าจะว่าถึงพระวันพระจริงๆพระพุทธเจ้าของเรานั้น ตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นวันพระทุกวันไม่มีพระองค์จะมากับกอกหลอกลวงเป็นวันคนวันกิเลสอีกไม่มีพระองค์ก็เป็นวันพระจนถึงอายุแปดิปีดับขันเข้าสู่นรพานเป็นวันพระทุกวัน เข้านิพพานแล้ว 2,532 ปีพระองค์ก็ยังเป็นวันพระอยู่นั่นแหละคือว่าพระมันอยู่ที่จิตที่ใจผู้เทศตัดละกิเลสได้คือว่าวันไหนก็เป็นวันพระคืนไหนก็เป็นคืนวันพระวันนี้เราทุกคนเมื่อนั่งขัดสมาธิ เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วจิตก็ให้ตั้งมัน่น คนอื่นผู้อื่นเขาไม่ตั้งก็ตามใจเราภายในต้องตั้งไม่ปล่อยให้อารมณ์โลเลลังเลสงสัยมาอยู่ในใจสักกายทิติความยึดกายถือกายว่าเป็นตัวของข้าตัวของเราตัวของกู เราเป็นนั่นเป็นนี่ตามสมมตินิยมนิล้อก็ให้เลิกละออกไปตัวส ก, กายะมันอยู่ในใจเมื่อใจเราภาวนาแน่วแน่ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเมื่อเจตภาวนาแน่วแ น, แน่ลงไปแล้วมันคือเลิกได้ละได้ภายในจิตมันปล่อยได้วางได้ เมื่อปล่อยได้วางได้สักกายทิฏฐิก็ขาดไปเมื่อสักกายทิฏฐิขาดไปวิจิกินฉาจะไปสงสัยในทานการทำบุญสมทานได้บุญน้อยบุญมากอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่สงสัยความสงสัยไม่มีพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงสาวกเจ้ามีจริง จะไปสงสัยอะไรตั้งใจภาวนาพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเมื่อจิตใจผูกปฏิบัติตั้งใจลงไปหนักแน่นเหมือนแผ่นดินก็สำเร็จรุลร่วงทั้งคฤรือหัดและบรรพชิต ไม่ใช่มันไปสำเร็จที่อื่นสำเร็จที่จิตใจเราทุกคนภาวนานั่นแหละรวมจิตตั้งจิตตั้งใจลงไปไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไม่ต้องไปรอพระีอานสีเอิญที่อื่นพระพุทธเจ้าโคดมนี่แหละถ้าเราตั้งใจให้มั่นคง ก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะลงไปได้หมดปัจจีอานจะมาปัจจีอานจะไม่มาไม่เกี่ยวเรานั่งภาวนาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมให้ใจเราแน่วแน่เด็ดเดียวในใจอย่าพิดท่อถอยโดยสมัยคลั่งพุทธการญาติโยมทั้งผู้หญิงผู้ชาย โดยเฉพาะคือว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกบินละพัดพระองค์ไม่ได้ไปบวชไปเรียนที่ไหนพระองค์ก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ที่หอปลาศาสราสมนเทียน ภาวนานั่งขัดสมาธิอยู่บนหอปราสาทได้สำเร็จเป็นพระโสดาได้สาเร็จเป็นพระสกิทาคาได้สำเร็จเป็นพระอนาคาในหอปราสาทราชสมุนทีน น, นั้นเลยเมื่อแกชลาเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายแกย่อม มีความเจ็บไข้ได้ป่วยชราภาพพระพุทธเจา้าของเราก็ไปตรัพะธรรมเทศนาสอนก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตากินาสกจบพรหมจันทร์ในหอปราส า, าทลาดสมุนเทียนไม่มีอะไรเป็นปัญหา ปัญหาอยู่ที่เมละกิเลสของตัวเองไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าตาผักขาวนางชีคันตัวเองไม่เลิกไม่ละตัณหาคนตัวเองเลิกละแลมันก็ได้ทุกลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเราต้องตั้งใจการฟังธรทำทำนั้นมันมีอยู่ทุกยอมย่า แต่ถ้าเราฟังแล้วเราทำใจของเราให้ตั้งมัน่นให้เด็ดเดียวเด็ดขาดลงไปแล้วเห็นผลแต่ว่าถ้าฟังทำแล้วก็กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ว่าไปความขี้กลัวทั้งหลายแหล่เยอเลิกได้แล้วโยนทิ้งเข้าป่าเสียมันไม่โยนที่อื่นอยที่ใจเราตั้งมั่นลงไป ใจิตใจดวงผู้รู้เราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่เสียงที่เราได้ยินนี่แล้ว่าเป็นเสียงธรรมะธรรมโมคำสั่งสอนสอนจิตสอนใจให้ตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาให้หยุดในโยในใจของตัวเองไม่ต้องแชสายไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมลมที่ไหนอีก รวมจิตรวมใจเข้าไปภายในยจริงๆเรื่องภายนอกไม่ให้ไปเกี่ยวไม่ต้องไปเสียดายกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะเคยเกิดเคยตายมาในท้องแม่ทุกๆคนนับไปท่วนแล้วอเนกชาติยังจะมาเกิดมาตายอีกก็เรียก ว, ว่า ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเอาตายช่วยเท่านั้นแหละอั น, นั้นใจมันโยที่ไหนใจมันไม่ได้โยนอกฟ้าป่าหินป่านที่ไหนจิตใจคนเราไม่ใช่แต่โยอากาศอาวากาศ้าโลก้ากเป็นดินที่ไหนปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบ หาสองเข็นสองีษะนหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในนี่เต็มไปด้วยโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจิตใจมันอยู่ที่นี้ร้อนมาก็จิตใจดวงโพลูนี่แหละมันร้อนหนาวมาก็จิตใจดวงโพลูมันหนาว ร่างกายสังขารเขาเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจิตไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนามันก็คอยไปยึดเอาถือเอาวุ่นวายไปเองนั้นต้องตั้งมั่นลงไปนอกจากจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ออกไปทั้งหมดอนิจจังมันไม่เที่ยงทั้งหมดย่าได้ไปยึดเอาถือเอา ทุกขังเป็นทุกขังโลกจะไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินทร์มที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิน้นเลิกไปเลิกมาหยดโยภายในดวงใจทำความรู้แจ้งภายในจิตใจของตัวเองอยู่แห่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่า จงนึกถึงมรณ ะ, ะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าแก่ไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นอะไรก็ตามตำแหน่งของโลกแล้วมันไปไหนมันก็อยู่ในโลก ผู้ปฏิบัติภาวนาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ให้รวมกําลังเข้าไปตั้งในภายในจิตใจอันนี้ให้ได้นอกจากนี้ไป อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกวุ่นวายมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินัภบพบนับชาตไม่ท้วน เรายังจะล่มหลงมัวเมาดิ้นลนวุ่นวายไปให้เกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นอยู่หรือเตือนจิตใจนี้ให้ได้เมื่อเตือนได้แล้วรวมใจลงไปสร้างบนิ่งแนวเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวภายในจิตใจไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังห่วงก็เอาอะไรไปไม่ได้ จองนึกถึงว่าเมื่อคนเราทุกคนถึงเวลาตายเล่าห่วงลกูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงอะไรก็ตามถ้าความตายมาถึงเข้ามันห่วงก็ไม่ไม่ได้อะไรมันก็ตายหยุดตลอดเวลาฉะนั้นเจ็ดในเวลาปัจจุบันท่านให้นึกถึงว่า เวลาความตายมาถึงเขานั่งโยก็ตายโพดโยก็ตายนอนโยก็ตายกินโยก็ตายสบายโยก็ตายได้เราจะเข้าใจว่าเวลาจะตายมันเจ็บไข้ได้ป่วยโลกบางอย่างบางประการไม่ต้องแหละนั่งโยดีๆก็ตายบางคนนอนโยดีๆก็ตาย จนเพื่อนผูงมนุษย์ไม่รู้สึกว่าตายเมื่อใดเผื่อไปดูแล้วมันแข็งหมดแล้วมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นั้นละมาะนังเมภาวิสติทุกคนจำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นเมื่อยังไม่ถึงอย่างเวลานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องรักษาศีลของตัวให้บริสุทธิ์ ทำสมาธิตั้งมั่นในใจของตนให้เพียงพอกำหนดพิจารณาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลในกายกับใจของเราให้เฉมแจ้งวันร่างกายสังขารเราจะมาเอาแน่นอนกับร่างกายไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงก็อยู่ที่ตัว เป็นทุกข์ก็อยู่ที่กายที่จิตนี่แหละเป็นอนัตตาก็อยู่ที่กายนี่แหละเป็นอะไรทุกอย่างมันก็เป็นที่กายที่จิตเจตไม่รู้ไม่เข้าใจก็หลงไหลดิ้นลนเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเองฉะนั้นต่อไปให้เป็นผู้เมสติเป็นมหาสติ เราลดได้สติมหาสติก็คือว่ามหาแปลว่าใหญ่มีสติใหญ่ทั่วไปไม่ให้มันฟัังเผลอลุ่มหลงเจ็ดใจก็จะมีความตั้งมั่นในสมาธิภาวนาของตัวเองนั้นจงพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในใจของตัวให้ได้ ต่อสู้กิเลสในใจของตัวไม่ได้แล้วไม่ต้องไปต่อสู้คนอื่นผู้อื่นกิเลสอยู่ในใจของเราเองสู้ไม่ได้อย่าไปกินข้าวปล่อยให้มันตายเหี้ยใชไปเลี้ยงข้าวให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนละกิเลสลาคะในใจไม่ขาดอย่าไปกินข้าวมันปล่อยให้มันตายเหี้ยในโลกนี้ ละกิเลสโทสะในใจไม่ได้อย่าไปให้มันกินข้าวปล่อยให้มันตายเจ็ดใจให้มันกล้าขึ้นมาอย่าปิดท่อแท่อ่อนแออะไรอะไรทุกอย่างมันไปถึงความตายมารณะคือความตายพระพุทธเจ้าท่านให้นึกให้ได้จเจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออก ลมเข้าไปก็ให้เตือนใจของเราเองว่านี่ถ้าลมสูดลมเข้าไปถ้ามันออกมาไม่ได้ก็ตายยังจะมาลุ่มหลองมัวเมาอีกหรือพระองค์ว่าหายใจออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเรียกว่าตายได้ทุกลมหายใจ ไม่ใส่เจ็บไข้ได้ป่วยลดทนกันแล้วจึงตายมันตายที่ลมหายใจเวลามันจะตายก็ปิดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ตายทางนั้นมารณกรรมฐานพระองค์จึงเตือนว่าให้พากันนึกเจริญ แล้วพระองค์ก็ทวนกระแสของพระองค์ให้ฟังว่าชวนเราตถาคตหมายถึงพระองค์ตั้งแต่เราได้ตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมารณภัยคือความตายพระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมหายใจเข้าไปพระองค์เตือนใจของพระองค์ว่าเราจะต้องตาย ไม่เหลือหายใจออกมาเราพระองค์ก็เตือนพระองค์ว่าเราจะต้องตายพระองค์อยู่ในโลกโปรดเวนายาสัตว์ทั้งหลาย 45, สาี่สิบห้าพันปีสี่สิบห้าปีก็ดับขันเข้าโสนนะหรือผ่านไปตอนหลังนี้ท่านเรียกว่านิพพานธาต นิพพานกิเลสนิพพานใจก็ตั้งเป็นนั่งภาวนาใต้ลุกขมูลล้มไม้ต้นไม้โพน้นแหละพระองค์ตัดเด็ดขาดตัดกิเลสราคะโทสะโมหะของพระองค์สิ้นสุดพร้อมทางวาสนาตั้งแต่อยู่ล้มไม้โพตอนนับดับขันเข้าโซนะหริพานกรุงกุศินาลายนี้อันนี้เรียกว่า นิพพานธาตุธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันมาแตกดับที่เมืองนั้นเรียกว่านิพพานธาตุแห่นั้นให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนากายวาจาจิตเราอยู่ที่ไหนก็ให้ถือว่าสถานที่นั้นแหละเป็นที่ปฏิบัติภาวนา ถ้าไม่โยสถานที่จิตใจแล้วก็ผลัดวันประกันพุ่งอยู่เรื่อยไปถ้าเอาที่ปัจจุบันกายใจเราอยู่ที่ไหนก็ที่นั้นเป็นที่ภาวนากิเลสราคะโทสะโมหายังมีอยู่เราก็เพียรละด้วยสติปัญญาของเราเองการเลิกละกิเลส ในใจนั้นไม่ใช่คนอื่นจะเลือกได้ละได้ตัวใครตัวมันพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตัดสโลตัดกิเลสของพระองค์พุทธสาวกทั้งหลายพระอระหันตาคินาศท่านก็ตัดกิเลสของท่านอุมาสกุบาสกบาิกาสมัยพระพุทธเจ้ามันก็ตัดกิเลสของกายมัน ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละกิเลสให้พระพุทธเจ้าเป็นที่แต่ผู้เทศผู้สอนวิธีการต่างๆแล้วสาวกทั้งหลายก็นาไปละกิเลสลาคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปเส้นไปก็หมดเรื่องหมดราวเท่านั้นเองนี่แหละราวท่านทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติบูชาภาวนายาได้มีความทอดแท้อ่อนแอในหัวใจเลยดังแสดงมาก็ส้มควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศและในอายวัฏทโกทนาวัฏทโกสิริวัถโกยะสวัถโกภาลาวัฏทโกวันวัฏทโก โสควัฏโกโหโตสัพพธาทุขาโลขพยาเวลาโสกัสตตจุปัะวาอเนกาอันตรายาปิเวนั ส, สันตุจเตสาสาสยาสิทธิธรรมลาพังสธิภาคาขยังสุขังพลังเชลอายุจวันโนจ่าโพขังวุติจจยะตวา สัตว์สาจะอายุจาชีวาสิธิพวันตุเตพะวตุสัพพมังขลังลักขันตุสัพปเทวตาสัพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังคาหนุภาเวนะสัทาโสธีภะวันตุเต